ไปทุรงกรรมฐานยกต้นตระกูลลุกปูเสารลงปูมั่นจนเป็นประวัติมาเนี่ยพระสิบองค์ได้ไข่มาแปดได้ไข่มาแปดใบทำยังไงได้ขยาใส่ฟ้าบาดใส่ขยาใส่บาดเอาเกลือลงเอาลือเสร็จแล้วก่อนเนีย่ยเย็บกลวอเบียบใบมะม่วงมาเป็นกลวยๆแล้วก็ตักใส่กลวยมะม่วงแจกให้ทุกองคเ <c oughs> นี่แหละ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 มีท่านสอจอประพศ ธ, ธรรมประทีบอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเขตสี่นะได้นำคณะสัายาติโจมลูกหลานญาโมได้มาทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ่วันนี้ก็มาถึงวัดหลวงพ่อตั้งแต่ตีสตีหจากนั้นก็คณะสัายาติโจมได้ตักบาตรพอตักบาตรเสร็จแล้วกันมารวมกัน ที่ศาลาอแล้วก็คงจะมีการไหว้พระสมาทานศีลมั้งไหวพ้พระเนี่อเอาสมมาศีลโดยเหรออ้อาวจากนั้นก็คงจะรับศีลรับพรล้วก็คงจะขึ้นภูก้อนใช่ไหมไปกราบพระพระนอนภูกร์เอาเริ่มเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาลูกลานสาตุมะยังพันเตวีสุงวีสุงลาคณาทายะ ติสละเนนัสห า, สาตเลนะเนพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทายาลูกหลานได้ยินไหเสียงชนีปาลาร้องที่วัดของหลวงพ่อนะมีทั้งลิงมีทั้งชนีมีทั้งข้างมีหมูปาเก่งสัตว์ปา่าเนื้อที่พันกว่าไร่นกเป็ด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 ท่านมีความมุ่งมั่นอะไรความในใจของท่านท่านมาอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรพวกเราจะเรีรู้ได้ศึกษาเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมีมากมายอย่างเรียนมหาวิทยาลัยม่รูกกี่แขนงตกกี่กี่แขนงถ้าใครว่าข้าพระเจ้าเฉลียวฉลาดก็พูดได้อย่างนั้นแหละแต่ทั้งอันที่ตนเองโง่ลนะ่ะ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 อแปลว่าโอดโอว ด, ดความโง่ให้คนอื่นฟังอโอดความโง่ของตนเองให้คุณอื่นฮฟังแต่ตามไม่จริงในโลกนี้มันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพรอวิชากมีต่างเยอะแยะพิธีการทําอาหารอย่างเดียวเนี่ยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารไทยกี่อย่างเราจบไหมได้ไหมไม่ได้อวิชาการอย่างอื่นน่ะการเกษตรล่ะ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 รักษาศีลอย่างไรเดินจังกรมวิธีการเดินยังกรมทำอย่างไงวิธีนั่งภาวนาไปทำอย่างไรและก ำ, นนกำหนดจิตกำหนดจิตกำหนดใจนะให้มันอยู่นิ่งกำหนดอย่างไรจะทำอย่างไงจึงทำให้จิตใจสงบเรียกว่าเป็นสมถทหรือเป็นสมาธิเนี่ยเมื่อเป็นสมาธิเป็นสมถ t เป็นสมาธิแล้วเราจะเดินวิปัสสนาอย่างไร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 มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านประกาศว่าท่านรู้ทั้งหมดะแต่นอกจากนั้นมาแล้วถึงจะเก่งหมอตาก็ไม่เก่งหมอหูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงก็ให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้เป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดอทํอามันคิดไม่ดีแล้วก็ทําออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีผลที่สุดการที่ ทำกรรมที่ไม่ดีสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทําที่ไม่ดีนั่นแหล ะ, เ, ะเมื่อ เ, าเราทําลงไปแล้วอกรรมที่มันไม่ดีล่ะมันจะให้ผลอกับเรานะทีนี้ในเมื่อเราไปด่าเขา่อะออไปปาหมาดเขาเอหลือไปดูถูกเกียรติยำพูดไม่รู้จักสูงจัต่ําอไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเนะี่ยเขาฟ้องร้องเข้ามาเลยตัวเองนะนะั่นกิบหายเลยทีนี้